2. พรห ม, มาจาริโยคัทะสูตรว่าด้วยผู้ประสบสุขอันอย่างลงสู่พรหมจรรย์ 998. รภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าธรรมสี่ประการอะไรบ้าง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 และการเห็นธรรมมีอยู่แก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นย่อมประสบสุขอันอยังลงสู่พรหมจรรย์ตลอดกาลพรห ม, มาจาริโยคัทะสูตรที่สองจบ